คุณยายครับมิชาอยู่ในโรงงานกี่ปีครับ5ปีค่ะ15ปีแต่อยู่วัดกว่า15ปีไปพรลมาเนี่ค่ะตอนตอนที่คุณยายเบียตอนคุณยายบวชแล้วนี่เข้าโรงงานเลยเลยไงสามีตายยืนนั่นที่บวชกันนั่นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโรงงานมีอย่างตอนนั้นอ้หูเยอะโรงงานมีอย่างฮะไม่แล้วค่ะม่แล้วที่นั่นทำวิชาเนี่ยล้วก็อยู่ทําไงอย่นี้่านี้แหละลาก็อยู่ทําไเพราะอยู่ทาไม่แข็งเสถียรแขงกระหน่ํานี้ราคาไไหนไม่ได้ครับ แต่รุ่นหลังนี่รู้ว่ามีอยู่สี่คนนะที่เป็นหัวนหน้าไม่รู้ไม่รู้มาเข้าใจแล้วค่ะมีอยู่สี่ผักไม่ยช่มีเวนอยู่สี่ผักใช่ไหมมีคุณยายผักหนึ่งแล้วมันชิยานีผัหกหนึ่งใช่ไหมอ่ะเรียกว่าเอ้คุณครูกีตาผักหนึ่งอะแล้วก็อีกคนใครอ่ะคุณเหลวยใช่ไคุณเหลวยมาจากเชียงใหม่เพรางั้นเก่งเก่งนลยหรืะเขาเท่งเที่นนะะอย่างนี้รวย ทำไมต้านล่างเราได้ไหมเดียวเดียวเนี่ยเนียอหลั่นไมหมดพ่อตั้งไหมต้เาก็เปิดเครื่องเลยค่ะเปิดเครื่องมาลั่นเป็นยัยพูดง่ายง่ายค่ะเนี่ยนาฬิกานี่นะค่ะอยู่ชัหุพ่อไม่เห็นหรอกนะคะนาฬิกานี่เอามนาะเอาทำทอเมริกาให้หยุดได้ไหมเด็กบอกว่าได้ ไปเห็นดีไซน์ใช่หมันาอยู่ทางในอ่ะงนเดนไดก็เยอะได้มะงาทางเื่องเดี่ยวเออหยุดแล้วด้วยาฬิกาเนี่ยก็ทำแล้วเนี่ยไม่อะไรกันกาให้คนดูวงนี้ว้องใช้เครื่องนี้ค่ะมีเครื่องเครื่องมีต่างแบบมีใหญ่คะมีดินมีน้ำมีลมมีไฟมีกัธาตุมีญาณธาตุแล้วในธาตุของผมนะคะอันนี้เราเป็นเรื่องธาตุนะคะธาตถาตุกทางวัตถ่กันนะคะ ไม่มีธาตุทำก็อยู่ไม่ได้ไม่มีธรรมธาตุไม่ก็อยู่ไม่ได้ทลายหมดนะที่เราถึงธาตุธาตต้องผมเนี่ยมีดินดินจะใสมนแก้วน้ำกระใสมีแก้วลงกระใสมีแก้วไปกระใส็นแก้วอากาจะธาตุวิญญาณจะธาตุก็ในธาตุต้องหกนะเนี่อคุณสนชัยเข้ามาเกี่ยวกัคุณเขาต่อวิชาใช่ไห ค, คุณ vida, คุณตั้งเที่ oh, คุณตั้งเครื่องหรเปล่าเครื่องอะไรุยายก็ตั้งเครื่องใต้ฝาหน้าหลังนอกในบริร่างกลางระหว่างวัดต่อเรื่องนี้ป้องกันไม่ให้มายเข้ามาโจมตีได้แล <in S 2> ้ากเขาบอกคุณยังไงก็แบบเครื่องในเครื่องเครื่องในเครื่องบอกเครื่องในเครื่องมีอะไรบ้างไม่รู้น้งชายมาต่อยฉันอ่ะก็ไม่รู้เครื่องในเครื่องเครื่องในเครื่องอ่ะไม่รู้เครื่องอะไร กลางในกลางก็าไม่รู้อะปลางอะไรแเขาบอกเครื่องในเครื่องนี้เขาไม่รู้จักว่าเครื่องในเครื่องนี้แหละไม่รู้มีอะไรม้างอ่ะฉันจะบอกอ้าวคุณธรรมกายทําองค์ธรรกายคุณไ ใ, ใหญ่เข่าเนี่ยมาทำท ำ, ทำแล้วบอ ก, บอกคุณที่ทําในบุญญาลิศนะคะเนี่ยเขาบอกคุณแยกคนดีนไปได้ไหยเอาดีนี้แยกไปสี่เสียง ทางขวาก็ไปเสียงทางทางหลังก็ทางตะวันตกก็ไปเสียงทีง่เหนือที่ใต้สาบสเสียงเนี่ยไอกรมลอกตัวแล้วปรเพศไทยเนี่ยใ้ดินนี้เนี่ยคุ้มแพงกว่าเธอคุ้มเห็นไหมล่ะเห็นน้ำนี่เนน้ำนี่ละมันมันเหลวนะมีความสามารถหนุนนาะหนุนดินไว้ได้ แล้ก็เพ่งก็ไปใต้ดิใต้น้ํานะคะว่าคุณส่องชายก็ไปเห็นลมลมนี่ก็หนุนน้ําเข้าไว้แล้วเพ่งไปใต้ลมก็ไปเจอไฟไฟนี่ก็หนุนลมมานะไวไฟเกิดอะไรลมก็มาวันนั้นต้องดูแลนี่นะคะแล้วก็เพ่งก็ไปใต้ใต้ไฟก็ไปเห็นอากาศกาศกระท่าที่ว่างเปล่าแพ่งไปเนือากาศกระท่า ก็ไปเห็นดวงวิญญาณองค์าตุองหกดวงวิญญาณธาตุองหกก็เป็นหัวใจดวงใสใช่ไหมคะดวงใสก็ให้ความเป็นอยู่ให้ความอยู่ก็ดินใหความอยู่ก็น้ำให้ความมอยู่ก็ลงไหความอยู่กับไฟให้ความอยู่กับขาดที่แล้วใจเข้าใจออกนี่่าจะกาจากน่แล้วอากาศบท่าก็ที่วางเปล่าที่าตุองค์กนี่นะคะ อ่าต้องหกนีให้ความไปอยู่ไหฟ้าไปอยู่กันมนุษย์นะคะไหฟ้ามาอยู่กันมนุษย์ไหฟ้ามาอยู่กับเทวดาหกชั้นพุ่มสี่ชั้นพุ่มหกชั้นให้ฟ้าไปอยู่เรื่อยขึ้มาให้ฟ้าไปอยู่เปรตไหฟ้ามาอยู่กับสุริยไกฟาไปอยู่กับสัตว์เดรัจฉานหมูหางาไข่มดรวอ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานแยวกัน นลี้ยไรความมาอยู่กันนรกหมดนะคะเรื่อดูนี่เรื่อออกความมาอยู่นี่ปูเขาต้นไม้หมูม้าตาไก่งดตรวกผักพอตั้งหมดตัวเราก็แบบเดียวกันแล้วนถทานต้อกผมนถทาต้องผมเนี่ยลราับประทองลงมาโคตวงมาไม้แบบเดียวกันเลี้ยองมานะมันก็มีเหมือนกันก็มีถ่าต้อก ดิน ก, ก็นดำหน้าก็ดำลงก็ดำายก็ดำอากาศก็ดำอากาศท็ธาตุมันยากจะทาตุแล้วได้ธาตุหกาตุตัวนี้ดำหมดอ่ะผู้กิจเจ้าก็ดำไตยสิธิจักรพรรดิก็ดำทั้งหมดนี้ก็มาแย่งกันมา <ao S 1> แย่งจักรพรรดิของพญามาไตยสิทของพญามา้มาชิงดีกจักรพรรดิของฝ่ายธรรมิงดีแกไยสิทธิของฝ่ายธรรมามาปรุงอาหารจานนี้เน่ อ่ ะ, ะปรุงรสธรรมาชาตินี่ไม่เหมือนกันนะคะน้องใบทำดีนี่รสผลไม้หอมหอมหัวชวนรับประทานข้าวปลานี่นุ่มน ว, นวลชวนรับประทานมมนขอมเรียมัมนก็มาปรุงแต่งให้เป็นข้าวแดงให้เป็นข้าวแข็งไม่มีรสอร่อยเลยข้าวแดงนี่เอาไว้ให้คนชั่วกิน จ่ายไว้นะคะข้าวแดงเนี่ยเอาไว้ให้พวกคนชนะคะั่วเองอ่ะให้พวกคุกอ่ะกินข้าวแดงข้าอะไรอะ่ะนี่เขาปรุงปรุงมาแข่งกันนะค ะ, ะของฝ่ายชั่วเขาก็เรียมฝ่ายชั่วไปของฝ่ายดีก็ปรุง ป, ปรุงข้าเลยอ่ะเป็นผู้ปรุงแข่งรุ่มรวนชวนรับประทานนะคะ ผลไม้ก็หอมผวนชวนรับประทานดอกไม้ก็หอมผวนควรบูชาหองพุามานี่วันนี้เราคลรงะคะเอยดีไหรารงอ่ะหอมพุยมานก็ปุปช็ปีก็หอมพุยมาครับรวมมารวงแต่งแต่งกันนี่รถยีไม่เหมือนกันปลานี้รถก็ไม่เหมือนกันรถไม่เหมือนกันข้านี่รถไม่เหมือนกันผลไม้ทั้งหมดไม่เหมือนกัน คาว่าทั้งทั้งขมทั้งคืนไม่วันที่รุงอ่ะก็ได้ทานลงแล้วประคบคืนอ่ะคุณนี่เคยได้ทานมันไว้แหละทั้งเปรี้ยวทั้งขมทั้งคืนเกี่ยวกับอะไรฮะผลไม้อะผลไม้ที่เรามาทานอย่างนี้แหละขมขมที่สุกจ้าเปรี้ยวเคยคืนคืนก็คืนที่สุเจ้าไมาไ่วันของประเภทอะไรไม่ว <c ười> nice. ันก็่รุงประเภทนี่ใช่ไะมนะบระเภทนี่ใช่ วัลแพทย์ก็เรื่องของขื่นเนี่ยที่เราต้องการชอบนี่เนี่ยไอผึ้งผมพลาวนี่เนี่ยมาละอ่ะเอาไงยกปรุงมาละเขาใช่สิคะอ่ะมาละนี่แหละพวกนี้แหละข้มคื่นก็ได้ใช่ไหมเออคนจะปรุงแต่งอย่างเงี้นะเดี๋ยวคนกินเข้าไปมันมีมีผลนะชอบชอบแล้วอ็ทานก็มีสิคะมีผลจาก ถ้าทำนะแล้วก็คุณวก็ให้ชอบที่ให้คูณเหมือนกันเหมือนกันนะคะนี่เนีทั้งคยารนะคูจ oh ะ้รจักเขาเรียกยาอะไรปลมมาลุกจักแม่ปลาส้มปล้วพลาสมเนเหมือนปลาปลาตะเพียนน่ะมันไม่ร้ายกาดเนียเส้นเขียวอ่ะเคยไมแล้วไม่เคยล้อมเยอะใหญ่เนี่ยลมนันสวย ไม่มีคนแล้วประทานเลยมันเหม็นเหนม็นคือเหม็นโง่จังเลยนี่ใครกินหรออะไรคะจังค่าร้อยอ่ะคามรู้ความเห็น้าไม่เหมืนนอนพระนนอยเลยครับใช่ไหมะคะความรู้ความเห็นไม่เหมือนก็เ ป, นเป็นใจเป็นใจหนึ่งใจเหนึ่แล้วเป็นคนหนึเป็นรูปไม่ใช่คน น, ค น, น, ค น, น, นี่รูปนี้ ถึงจําที talk, ่รู้ตีก็การรวมไปแล้วต้องเป็นใจหนึ่งแลเป็นคนหนึ่งแล้วก็ใช้ไฟให้ไปแยกแยะอะไรให้จะให้ไปแก้โลกใครให้ตึกหญ้าทั้งหมดให้ไปช่วยอะไรจ่อยายหญ้าทั้งหมดอันนี้ใค่จำไย้น่ะความเห็ความจำความที่ความรู้รวมกันเข้าก็เป็นใจเป็นใจเห็นเป็นใจแล้วก็จะมีลูกคนหนึ่ง ลูกสิดีใจมันก็จะมีลกมลมันก็มีงานเขาไปใช่ไปเขาก็ไปงายไปแกดึงวยิงก็ไปงายไปแล้วก็กลับมาหาเราเขามาทำงานตัวเป็นภาคหนึ่งของเรากายนึงของเราเขาเขามาทำงานตัวว่าคิดค่ายไปทาอะไรเยอะมากมันทำอะไรงานเยอะมากเงานู้ใหญ่ค่ะนี่ไงความก็เลยอะไรทั้งหมด ยัีรครข้างหมดนะคะล้วปาตรงผ้าแล้วกนจ้าไปอหันหันเองนะอีกตั้งหลาตั้งหอีกตรงหยุดนี่เองมาหยุดไม่ได้อะไรั้งหมดตงผ้าะเออเฮ้ยข้าชื่อเขาบอกทาน่ะว่าวิชาเอ็งถือแขนสือมือหนอนเขไปจี๋เขบอกวิชาคุกเห็นไปอ่ะหยุดเหียยนจะมาจมายังไงไป เอ็กซ์กาวเหตุผลเนยนะไปจามเหยื่อตัอย่งนั้นเนี ologie, ่ยอามาบอกแล้วแต้ไโเผลนี่จะส่งมาแต้มไโชว์ไงปเผลอย่างนี้เนี่ยก็มาบอกคพ่อแล้วพก็สังแต้ไม่ทบคุณยายฝึกอยู่นานแค่ไหนถึงจะได้ธรรมะครับตอนนั้นคุณยายฝึกอยู่นานแค่ไหนถึงจะได้ธรรมะครับันไปคคุณ่อคุกว่าผู้หญิงเขาตาผู้ชายเขาาไอ้าเานาจมาอ่ั มัวเข้าซ้ายเข้าขวาเราย่างพ่อจบครั้งแรกไงฮะอ่ามันรู้ง่ายคุณยายทำไงคะก็จับว่านเนี่ยจับวังนีค่ะจับ่วังค่ะคุณยายอยู่วางไหนวังขึ้นอยู่รัศสารนะคะยากไม่ถึงเนี่ยแล้วแต่ตกี่ขั้นถึงจะได้อ่ะอันนี้ก็วันที่หยู่ต่อมาที่สามก็ต่างเดือนอ่ะแล้วก็จับเรื่องใหคุณอ่ะป็นย่างนี้ที่งานละ นะคะแล้วฉัน <mister> ก <tumors> wow. ah. right? ็อยู่ข้างหลังเลือเป็นสองช่องทั้งนี้ชิ่นนอนทั้งนั้นชิ้นที่ไว้อยู่ปุ๊บก็ไปกลางวงกลางอะไรก็เฉก็ปนั่งบอกฉันยากเลยอยู่วันนี้ก็นอนเลยยงไม่เอาอ่ะวันที่สองมเนี่ยก็ย่างกุ้งก็ั่งเออเออขึ้นมาเลยนะข้าวกุ้เขาไหมพ้กเขาใหญ่เลยนะข้าวลช้อั้งเต็มหมดชอนที่ไม่รู้อยู่ที่ไหนอ่ะกุ้เขาทอง ทองคำเนาะทองคำเนี pues al, ่ยวันนี้กิจการว่าทองอะนี่ยจะอยากจะแยกทองคำก็ควรจะน่อยเราะนึกนึกอยากจะแยกทองคำก็แยกเขาเนี่ยนะแยกไปเขาไม่เห็นพระแก้วองค์นี้ใสจ้าอายุเป็นี่เจ้าที่ระแก้วอยู่นี่กันกลากงเขาทองอะไรองเะก็ลุกมาจักตียง เดี๋าอาแดงปูมันยาป้าก็เหนติถะโอโหแล้วกงไม่เห็นทคหรืังชอบยังชอบเลยมันนิดยางดูว่าตาทองทําอไะไรกง็ไม่เห็นสักแก้วส่เ๋นะลอยตาอเนี่ก็อลนนี้จะพาไปหาหลงพอไปได้จั ไปไปไปไปยโบกให้ก่อนพ่ออยาให้คนไปต่อพ่อถักก็ใครกูหญิงนะฮะไปต่ออ๋อแกตองแล้วโอมียักษ์ตัวใหญ่้วยนะฮะตัใหญ่จังเลยนะแล้วมังก็ลองนะมึบอกเกนะเลิกต่อนะอยักีตองหักูทยังไงหรอเด้ยวทยังไงไปยบได้ทํางไงเพั้นเราจะทำยไง ขนเขาก็ต่อทุกแต่กายทุกเหตเลยเขาเลยเก็ไปหาหลอหายแล้วะกาตักวังเอาวาเข้าไปนั่งเทานี้อยู่ไม่ติดแล้วอยากยิงมาหาหลวงพ่อเลยเลยตกลงสรุปแล้วคุณยายไปหาหลวงพ่อครั้งที่เท่าไหร่ที่เห็นครั<า>้งที่เท่าไหร่ที่พบหลวงพ่อกี่ครั้งเห็นธรรมะเขาัป็นรั้หลายอยู่แล้วเขาบอกว่าแม่คุณต้องบอกว่าฉันไม่รู้ยังตื้อไม่ขึ้นไม่คึนทาง กมันช่อมันแช่เนี่ยก็มีตือคนหนึ่งแต่ละก็ใหญ่ไอ้ข้เนี่ยมันใหญ่รู้นึกตือยขึ้นจวะายไหมคะเขาบอกใหญ่ญาติเ่อคุณเขาบอกใหญ่ญาติจะต้องตายจะต้องต่งงานเอาอีไอ้ตือเงยอย่างนี้วันนี้โอ้ขาลำบากนะคุณอายิ่งตีผ้าเนี่ยก็เอนะคะฝังมืแล้วมีคนเป็นายอ่า เมื่อกี้แลวมันองไม่ยเรแงนอนง่ยมันไ่วหน้ามาเสียลูกมันแท้งเนี่ยลูกดั้งเนี่ยมันไหวหน้ามาเสียงมันนมอย่างอย่างไรแล้วมันขึ้นตาลิงนะฮะตาลิงที่บ้านน่ะมันขึ้นตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้มันขึ้นก็ไดอีกยางตึ้งตึ้งตึ้งตึงตวงตา้ดํา้งะมันก็มาทึ้น้งตึ้เนี้งต้งตึ้ ก็ไ่นัอถึงสัปดาจ์สองวันเราก็ตัดอาไปทิ้ไปชา่าอยู่ใต้วัดมาเีอะหลายมนบาทีนะนึกว่ันร่ธรรมมาก็ไปเล่าเรื่องหลวงพ่อฟังนี่หลวงพ่อถามว่าหลวงพ่อถามว่ารำลึกชาว่าชา้ันเนี่ยทำยังไงรึกชาติตรงนี้ไงนะเอ๊ะฉันก็เลยท่มา อันนะคะไขยมวิาาวายพระนะคะท่านมาไม่ว่าอะไรทั้งหมดคุณหลว่อทานนี่ขอให้หลวงเจอผู้เจ้าในปัจจุบันใ้ชาตินี้เนาะอย่านอปาอทรทขอให้หลวเจอผู้ใจเจ้าไม่รู้เรื่องอะไรเขาเนี่ยทาว้เนี้รู้เรื่องรู้ราวอะไรอ่ะนี่ก็ได้สรรมแล้วสงสามาถาม น้องอ่ะน้องอภิษานเจอคุณเจ้าน้องเจออย่างนั้นก็เลดใจเองนะคะโอ้ยหงพ่อนี่เราานมาไม่ว่าขนมขนมอะไรก็หมดท้ายไปแล้วขอเจอคุเจ้าเนี่ยนั่วบอกว่เจอแล้วโอ้ยหวงพ่อครั้งนี้ในจิตในใจของมชันน่ะนั่นบอก็่าเนี่ะไอ้โลกไอ้โรคปอใหญ่เนี่ยมันไปเครื่องมันจะมาทับให้น้องตายเดี๋ยวมีคุเจ้าทง เอามือมาลองรักนะถ้ารู้หมดเลยนะเรื่องอประวัติที่ชั้งชาติไหไหนฉันรู้หมดเลยเนาะแลลงพ่อดูให้แต่เราดูชาติไนะรชาติที่จะมาลงมานี่ยัามาทำอะไรอยา่าบุญนั ก, กรบลอย่าบุ น, นักคนกว่าหาทําเนี่ยเหมือนกันนี่คะแล้วตระงคุณายเป็นฝ่ายไหนนะครับหาทำอะไรรรู้ว่าไฟแพรกับ <laughs> ยังรบต้องไฟายคนนี่แหละแล้วทุกวันนี้ก็ยังรบอยู่นะดั๊ดโอ้โทํานไม่ได้นอนนะคุณนะ<อ>นะคะไม่นด้นอนหรอกตอนนั้วนะ่ะนาจะเข้านอนนะท่านใว่ไว้หลับหลับก็ตื่นมาเพื่อขอดูอ้าวปีหนึ่งแล้วปีหนึ่งานางทำใส่ ไปสานไปสานไปลุกรล้หน้าหลังตาไปทน่ะมาทำอาหารถวายพระทุกวันเลยเนะนี่ยท้งเช่นเดียวกันที่เราทำทุกวันมวธนาทำทุกวันนะคะดี๋อวมาอาธิษฐานลงค้าวให้ลูกมาทำธรรมะจ่ายแจกผุ้มีทําเนี่ยอยากให้ลูกก้นป้าเนี่ยอยากให้ลูกเจรียร้ายใครอ่ะลูกไม่เอานะลูกไม่ข้าว ้อยู่เฉยแล้วก็ให้อาหารการกินก็มาตามลาดับนหไฟก็มาตามลาดับให้ลูกไปเดินเรียรายใหู้้ไปข้าวนี่อภิธานยให้โลกทำงั้นแล้วก็ใจันไม่หยุดหกคำงว่าเออให้อยู่เฉยๆอ่อยหาะห้อันนี้าวย วิญญาะหรือแก่างมฮะวิญญาส่ยายนะจะไปจะไปเอาอะไรนี้ไรนั่นนะอตคุณยายเขาไม่ชอบเาบอกเขาไม่ชอบเรานะคะเราจะทําุญอายุฉันฉันยังไม่ทาเลยคุณบุติจะไปเยอะนะคะต่อเนี่ยจะวจะว้แค่นะข้านอไม่ส่งะไว้ตีต่อยืยีงขี้มันน้อยอ่ะจก็ว้แบบรูปจไม่ยากจะไม่แพงพ่อบอกอ่ะร้อยจบแื้วเนี่ยยืนตี 4, ่จุดคน สามสิบคนห้าสิบคนะและนะนะะ้วฮะแล้วไปีต่ก็อยู่เนี่ยก็จังหวะเลยนะประโย์ชนะแล้วไม่จบคอมถ า, า, ามวะทุกวันนี้มีคนมาฝึกที่นี่มากไหมครับง่าฮะทุกวันนี้มีคนมาฝึกที่นี่มากเลยคะือเตี๋ยจีก็คือมาเนี่มากัอนอคยโอโ่อะครับนะคะฝึกจีนยังั้นเนี่ยแปรยังงั้นเนียก็ขับกระาธรรมะันเยอะเลยเนี้ยลำ บ, บากคุณยายผมยังมาขันบุญกับคุณยายอ่ะ คุณยายเนเอาอะไรมากไม่านแ่ล้วบอกว่าเอา้าวเอาขาหน้าแม่นมีข้าวคุณยามาโอ้แล้คเจ้าคุณยายตใช้ไม่ามาเจ้าค่เอสงไม่เจ้าแค่ยายอดีตยายนาโนะเออยงกรรมวิธีมาทำมาตีไปลบเขาหาเครื่องาหารอบอกอะไรจะาไม่จมาหมดนะ คุณยายอะไรมากคุณยายบอกผมบอ ก, กเรื่องนี้คุณยายบอกไม่ได้แต่แค่กับคุณยังอีจะถามคุณเองคุณจะอ่าคุณยายจะจออะไรคุณ่ะคุณจะหาเสียน <laughs> ไม่ใ <laughs> ห้ใช่ไหมนี่ผมทัหมด <c ười> คุณยายมันมีอยู่อันหนึ่งนะฮะอะไรมันมีมันมีอยู่อันหนึ่งที่ว่าทําไมผู้ที่ถึงธรรมกายเนี่ยทำไมส่วนมากทายังไงถึงจะไม่ให้ออกนอกทางฮนะ ไม่ออกก็ขาดไม่หลงตัวเองแล้วมหน่ออกนอกทางก็ยังหยุด้างนั้นเลยคะยังหยุดไปถึงว่าผู้ิก้าวแล้วข้าวไหยุดในทางดวงทางสิงตนาที่เป็นยาวงูงเยีนามข้กัก็หยุดทู่ปากเขาทางตรงนี้จะเดสองสองมหรอเยวเรื่องของผู้หิงก้าวพอใจไหมคะใช่แต่เวลาถอยกลับมาเป็นมนุษย์เนี่ย อาตัดไปมันยุ่งก็แมาตามน้ำยาของา่าทำแล้วมัาหยุดผู้ที่ผู้ถึงทำเนี่ยส่วนมากจะออกนอกผูนอกทางก็มีทำไมเยอะเป็นฐานของมารไปหมดเนี่ยมาเค่ไหนอยู่ที่ไหนไม่อยู่ไม่อยู่นะมันหยุดข้ามหยุดเรื่องเรื่องราของผู้วิจารณ์แต่ละหัวข้อหนังมันอยู่คนย่างมาญาคนย้ายมาญาเหรอค่ะตั่ค แล้วอยู่ไปตามทาของพี้เจ้าเนียฮะพเจ้าพึนงจะทานองค์้ะคะือนีฮะกำลังเข้ามืโยนน ะ, ะนรั้ถึงเอาสมถายมาหารับนะแหน้าของเนี่ยถึงเองสมายมาหารับหน้าประมาณท้เ น, นี่ยฮะเข้าโยนนียเนือถังก็ข้าไป อระวิตรางโยมทำเห็นสมาธิปัญญาวิมุติวิทยาชนะของพระองค์หกขวั่งพระวน่งอมู่็นางโยมในหกของพระองค์พระองค์จะเข้าวแล้วยังไงไปยังไงทงานยังไงวิ่งไปเลยเอ่อพระ้กท้าเข้าวิโรดนี้ยังยังจังไปหาภูมิรู แต่ว่าพุทธเจ้ากาลังเข้ามิโลดต่อไปนะคะนึกถึงว่าส่งดวงรู้ไปหาพุทธเจ้าต่างมิโลดงดวงรู้แล้วก็ส่งดวงรู้มั้งคือองค์สวงสรงดวงจาแล้วก็เอาดวงจาไว้บ้างรือองส่งดวงคิดแล้วก็คิดไว้บ้างเก่งจำที่รู้สี่อย่างเนี่ยเราก็ชอบรสชาติึกรสชาตอ๋อ อานี้เราพยายามทางนี้เราคิดเฉยนะคะทางนี้เรามีประโยช่์คุ้มรู้บารมีของพระพุทธเจ้ากาลังเข้าม้อเราต่อไปฉันเห็นอะไรก็ไปจะท่านฉันจำอะไรก็จำมาท่านฉันคิดเฉยจะคิดท่านเขรู้เลยคอ่ะพอถึงองค์กลังเข้าอเราเนี่ย่านก็ไปแบบเดียวกันไปแบบเดียวกันโดนนะพระพุทเจ้ายังไม่ช่วยเขาอยากมาเรียนคุ้มรู้ ไปยืนพูอลูกใปพูดกี่แย่ไม่ละ า, าหาระาหารถ้ามีใครก็ไปเลยละค่ะถ้าไม่ไป ห, าหารืออยากไปยูนี้นก็ ย, ยังขาอย่างไรอยู่